บุคคลทั้งอภิวาติวาอีกมันทั้งอัตถาสิทิพิโสภาคาวาอระหังสัมมาพุทโธวิจายาราสัมปันโน จาวิทุอนุตโรุปุริสธรรมาสาริสัตว์เดวามนุษย์สานังพุทธมควติสวาคาโตผกขาวตาธรรมโม ตันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตฐะโบวิญโยติสปาติปันโนภาควโต สาวกสังโฆโจุปาติปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆญาญาปาติปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆสามีจปาติปันโน ภคาวตโตสาวกะสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสานิุกานิอาจปุริสปุฆลาเอสาภคาวตโตสาวกสังโฆอหูเนโย ปาูเนยโยทิเนโยอันจเรคาริโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกาสาตินาทิเมสราณังอัญญังโพธโมเมสราณังวะรัง เอเตนะสัจจวัฒนนาวัดเทอยังสาธุสาสเนนัตถิเมสารนังอัญญังธรรมโมเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวัฒนนา วัดเถยังสาธุศาสเนนนาฏิเมารานังอันยังสังโฆเมสรานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะวัดเถยังสาธุศาสเน กายเยนวาจายวเจทะสาวะมูเถกุกรรมัปะกตังไมยะยังพุทโธปฏิคันหาตุอจัยยานตังการันตเรสริวงวุทธะทายเยนวาจายวเจทะสาวะ ธรรมเมกุกขมังธรมโมปฏิคารหาตุอาชายนตังการันตเรสริตรุงวะธรรมเมฆาเยนาวาจายวะเจตสาวะสังเกกุกขมังประกาตังไม่หยายัง สังโฆปฏิคันหาตุอัจียนตังการันตเรสังวริตุงวะสังเกสาธุสาธุสาธุอะก็ขอโมทนากระเราท่านตั้งหลายตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของ à, พระผู้มีพระภาคเจ้ากันก็ ที่ขับเน้นให้เราท่านทั้งหลายพยายามนอบน้อมพระัตนาไตรคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะนี้ต้องการให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจเนาะได้เข้าใจพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาที่จริงเนี่ยมาต้องการจะขับเน้นในเรื่องของอินทรี่ห้าพระห้าให้เราท่านทั้งหลายได้เจริญได้อบรมกันให้มากเนี่ยเพราะว่าธรรมชาติของศรัทธาเนี่ย ที่เาแปลว่าธรรมชาติที่มีความเชื่อความเลื่อมใสไม่วันไหวนั่นแหละฉะนั้นศรัทธาเจตสิกนั้นเป็นธรรมที่เป็นใหญ่ศรัทธามีสองอย่างเนาะเป็นปกติศรัทธาและภาวนาศรัทธาในคนทั่วๆไปนะั่นนะนะศรัทธาที่เกิดกับทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาที่ปอมๆนี่นะชื่อว่าปกติศรัทธานะ ปกติศรัทธานี้เมื่อพูดถึงการควบคุมจิตแล้วย่อมไม่ใช่ธรรมที่สามารถที่จะครอบงำจิตที่ปุงสั้นไม่สามารถที่จะครอบงำจิตที่ปุ้ง ส, สาาั้สนได้ถ้าสำนวนก็คือว่าจิตของคนเราเนี่ยถ้าถามอย่างเราท่านทั้งหลายนี่นะเราไม่เราถ้าเป็นปกติศรัทธาเนศศรัทธาที่เป็นไปกัททานศีลภาวนาปอ ม, ปอม เป็นปกติศัทธาปกติศัทธาเนี่ยไม่สามารถจะควบคุมจิตบ้าได้ปกติในจิตมันจะสัดสายใช่ไหมตั้งไม่ตั้งมั่นในอารมณ์หรอกเดี๋ยวมันก็ซัดสายเรื่องรูปอารมณ์บัณฑ์ศัทธาอารมณ์กันดารอารมณ์ลาสาอารมณ์บทอภารมดมอารมณ์เดี๋ยวก็คิดถึงบ้านคิดถึงรถคิดถึงทรัพ ค, คิดถึงแฟนคิดถึงลูกเยอะแยะเป็นไปเสร็จเนี่ยลักษณะนี้เขาเรียกว่าปุถุชนเหมือนคนบ้าใช่ไหม ปุถุชนอุมาตะโกวิยะจริงอ่ะท่านไม่ใช้คำว่าเหมือนเลยนะปุถุชนเป็นคนบ้าโนะอุมาตะกาก็คือบ้าทำไมจึงจัดว่าอย่างนั้นในสายตาของภาริยาเจ้าทั้งหลายในพวกเราท่านทั้งหลายในคุมจิตที่คุมคลั่งไม่ได้ท่านเลยอุปมมาเหมือนเด็กเด็กเล็กๆเนี่ยที่ใครเคยเลี้ยงลูกเลี้ยงน้อง เราป้อนอาหารเขาเอา้อาวกินกินข้าวใช่ไหมให้เขากินกินอ่ำในคํานึ่งเขลืมแล้วก็วิ่งเล่นแล้วเขาลืมไม่กระทังกินข้าวเราไม่ต่างเนื้อจิตของเราท่านทั้งหลายไม่ต่างจากเด็กน้อยคนนั้นนะตอนเนี้ยนนถ้าจะมาอยู่ในร่องรอยของพระกรรมฐานอยู่ได้ไหมจะมาคิดถึงฐานอากุศลสักห้านาทีสิบนาทีคิดไม่ออกมันคุมไม่ได้มันจะน้อมก็ไปหาวัตถุ ก, กรรมกิเลสกรรมเรื่อยเนี่ย อันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยลักษณะนี้เราก็มีศรัทธาในทานเนะไม่ใช่ไม่มีศรัทธาในทานเราก็มีศรัทธาในศีลเราก็มีศรัทธาในภาวนาเนอะฉะนั้นทานศีลภาวนาที่เราศึกษากันมีศรัทธาแต่มันมีแวบแวบแวมแวมน ะ, ะ, ะอย่าลืมนะมันไม่ได้ตั้งมั่นใดๆหรอกนี่เขาเรียกปกติศรัทธาเป็นศรัทธาไม่ได้ถึงความเจริญงอกงามใดๆเลยเนี่ยนะ ย่อมไม่สามารถจะควบคุมจิตได้เพียงการให้ทานตามสมควรแก่จิตที่จะบ้าคลั่งได้เลยเนะตามอุปมาด้วยคนที่บ้านี้เนะี่ยที่บอกว่าย่อมสามารถควบคุมจิตเพียงให้ทานตามสมควรแก่จิตเท่านั้นแต่ไม่มีศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาแล้วจิตย่อมไม่รู้จักกุศลเลยแม้แต่น้อยเราจะรู้ได้ยังไงในขณะที่ให้ทานรักษาศีลว่าตอนนี้เป็นกุศลหรืออกุศลใช่ไหม เป็นรูปุลหรือเป็นบาปอเพราะอะไรโลภะก็สมมนัดได้มหากุศลก็สมมัดได้เอาแล้วแต่เนี้ยจะเริ่มยุ่งแล้วโลภะก็มีปีติได้สมมนัดก็มีปีติได้เนี้ยลักษณะงี้จะเริ่มเห็นชัดแล้วว่าธรรมชาติของศรัทธาที่เป็นปกติศรัทธานะมันแยกไม่ออกมันแยกสภาวธรรมที่เกิดขึ้นกับใจตนเองไม่ออกแล้วกลับไปศึกษาพระธรรมแล้วก็ท่องกันนะสมมาัดสัจค่าตางังญาณนะสัมพยุทธตงังอาสังขารที่กลางท่องไปสิ สมนาสัตธาตังทิฏฐิขตาสัมยุตตังอสังขารที่กลางก็ท่องไว้เนี่ยจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยดีความดีใจประกอบด้วยความผิดผิดว่างั้นเราไม่รู้ว่าว่ากรณีที่เราไปประกอบทานในกุศลเนี่ยความเมียร์ของเรามันผิดหรือถูกอ่ะเพราะเรามีปกติศรัทธามันเลยเป็นศรัทธาถ้าพูดถึงศรัทธาปลอมๆในหลายคนจะสะดุ้งเนื้อเอะแล้วเราเป็นหรือเปล่าอยู่เมืองที่เราคิดใช่ไหม ก็ลองดูที่ว่าความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวมองทุกอย่างเป็นวัตถุทานได้หรือยังเป็นได้หรือยังและมีจิตน้อมที่อยากจะสละน้อมที่จะสละได้หรือยังถ้าศรัทธาแท้ต้องออกจากตัณหาได้ไหมต้องออกได้ทีนี้เราออกจากตนีก็ไม่ได้ออกจากมัชริยะก็ไม่ได้ออกจากตัณหาคือความติดข้องก็ไม่ได้แล้วจะไปบอกว่าศรัทธาแท้ดิเริ่มเห็นไหม เราไม่สามารถมองสิ่งต่างๆด้วยความเป็นของควรให้ควรสละควรบริจาคได้เลยอะที่ส่วนจริงมองมันก็ยึดติดหมาเลยใช่ไหมลักษณะนี้ไม่ใช่บอกให้เอาสละทุกเรื่องนะแต่ให้คิดในการที่จะสละให้ได้ทุกเรื่องเท่านั้นแหละเพราะว่าของบางอย่างเนี่ยหลายท่านอาจจะมีความจำเป็นที่ยังไม่ถึงเวลาจะสละใช่ไหมแต่ถามว่าเรามองเป็นวัตถุกลามหรือวัตถุทานอันนี้ไง ถ้าเรามองเห็นในลักษณะถ้าไม่มีศรัทธาจิตก็ย่อมไม่รู้จกักกุศลรักเม้สักน้อยเลยเนี่ยย่อมยินดีในบาปเท่านั้นฉะนั้นในการบำเพ็ญศีลและวิสุทธิและการศึกษ า, ลาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนการฟังพระธรรมคำอสอนเนี่ยก็พึ่งทราบอย่างเนี้ยแม้การเจริญศีลก็ให้สังเกตตัวที่ว่าในทานก็ยังขนาดนี้แล้วเราในระดับศีลหละการเจริญกุศลศีลแะ แล้จะเรินยังไงเพื่ออะไรเนี่ยกุศลศีลที่จะเกิดขึ้นที่จะมานาสิการให้กุศลศีลเกิดขึ้นเนี่ยฉะนั้นปกติศรัทธานเนี่ยจิตมันไม่แช่มแช่มชื้นเพราะมันควบคุมไม่ได้มันไม่อิ่มเอิบใดๆเท่าไหร่เลยเนะสภาพใจที่เป็นไปกับทานศีลภาวนาปอมๆเนี่ยนะเข้านาเข้าเนี่ยพอไปเจออุปสรรคเจอปัญหาหน่อยก็กลัวก็กลัวแล้วไม่กลา้า อนงี้นะตอนที่อนาถพินิกะต้องการจะสร้างวัดเชทวันถวายเป็นพุทธบูชาใช่ไหมก็ไปเห็นที่ดินของพระเจ้าเชตพระเจ้าเชิตะพระเจ้าเชตก็ไม่ปราถนาจะขายเพราะพระเจ้าเชตท่านก็มีศรัทธาอยากจะถวายถ้าใครศึกษาไม่ดีไปหาว่าพระเจ้าเชตเนี่ยใช้ไม่ได้เนี่ยเสียหายเลย มาไปอินเดียไปบรรยายอบรมพระที่อินเดียที่เป็นพระที่จะมีหน้าที่เป็นท้าธรรมทูตมากรถามได้ยินพระท่านบรรยายว่าอย่าเอาตัวอย่างแบบพระเจ้าเชษฐ์ไอ้เนี่ยแปลว่ามองเข้าใจผิดผลพลาดเลยเพราะจริงๆแล้วพระเจ้าเชษฐเนี่ยท่านต้องการวัดศรัทธาของอนาถาด้วย ท่านบอกท่านไม่ขายหรอกแต่ถ้าท่านมีศรัทธามันต้องวัดสัตทินสีกันหน่อยใช่ไหมว่าคุณตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของบรัตนาไตรไหมอนณาถาก็วัดเลยมันทุกเวียนมาห้าร้อยเลยคนซับปูเลยเต็มพื้นเลยสิบแปดโกดโกดละสิบล้านสิบแปดโกดเท่าไหร่กี่ล้านสิบแปดโกดกี่ล้าน กดละสิบล้านร้อยแปดสิบล้านนึกว่าพันแปดร้อยล้านมาเห็นไหมปูเต็มเหลือพื้นที่ตรงซุ้มประตูสี่ด้านนี่นะพระเจ้าเชษบอกพอแล้วพอแล้วเพราะส่วนนี้เขาต้องการถวายอ่ะใช่ไหมพอถวายเบสเร็จพระเจ้าเชษบอกว่า ต้นไม้มีราคาอีกหลายโกดเขาก็ไม่ได้ขายเนะือเพราะเขาจัดถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ท่านพระเจ้าเชษก็เลยสร้างซุ้มประตูนในราคาสิบดโกดแล้วก็วิหารด้วยสรุปว่าเงิน18ดโกดทั้งหมดนั้นเจ้าเชดเอามาสร้างซุ้มเอามาสร้างวิหารแล้วก็ถวายต้นไม้ทั้งหมดตรงนี้ไง เวลาเราไปอ่านในพระสูตรอนาถปินฑิกาตสารามีไหเชตวณนอนาถปินฑิกาสารามีเห็นไหมระบุถึงสองเจ้าของเชตวเนะ่นั้นระบุว่าเจ้าเชษคือเจ้าของคนแรกอนาถปินฑิกาส์เนี่ยเป็นการระบุคนที่สองบอกอารามแห่งนี้สร้างโดยสองเจ้าของเพื่ออะไร เพื่อให้เราพุทธบริษัททั้งหลายเวลาจะทำบุญแล้วให้ถือสองท่านนี้เป็นเนติเป็นตัวอย่างในการประกอบบุญสำหรับผู้ที่เจริญกุศลทั้งหลายใครมีที่จะกายสร้างวัดก็ทำอย่างเจ้าเชื่อได้ไหมไม่เอาเข้าบัตนเองสักบาทเลยอ่ะเข้าใจว่อาอ้าคุณมีศรัทธาจะซื้อที่ตรงนี้สร้างวัดจะไหมอา้าเราก็มีศรัทธาเอางี้อา้าวคุณว่ามาคุณสู้ไหวไหมเนี่ย ไอ้ส่วนนี้ทั้งหมดเราก็จะสร้างต้นไม้เราไม่ขายเราขายแต่พื้นดินทําได้ไหมเราก็จะถวายเป็นพุทธบูชาเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ถือว่าศรัทธาแท้หรือปอมเนี่ยศรัทธาแท้จะเป็นอย่างตึงตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระราตนไตรัยเลยเนี่ยนะฉะนั้นสภาพของศรัทธาเนี่ย ในการที่จะบำเพ็ญศีละวิสุทธิในการที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนตรงนี้สำคัญมากต้องมีศรัทธาถ้าเป็นปกติศรัทธาฉะนั้นกุศลปกติที่สามารถเกิดร่วมตามปกติสัตทินีที่ยังไม่มีการเจริญถ้าได้พบกรรมาฐานมีพุทธานุสติเป็นต้นแล้วปกติศรัทธานั้นย่อมควบคุมจิตไม่ได้ จิตก็ย่อมจะดิ้นลนไปสู่ที่อื่นอย่างอิสระในที่นี้นะก็หมายถึงปกติศรัทธาเราบอกโอ้พอพูดถึงพุทธคุณคุณของพระศ า, าสดาไปเสร็จเนี่ยจะน้อมจิตเข้าหาพุทธคุณมันไม่ไปมันชำนานอารมณ์ไหนอ่ะมันก็จะไปอารมณ์นั้นแหละอันนี้แปลว่าปกติศรัทธาในปกติศรัทธาเป็นอย่างนี้พกเราจะเดินก็สู่พุทธคุณเดินไม่ได้ อ้ธาธรรมคุณไม่ได้อาวเจริญสังกคุณไม่ได้อาวเจริญศีลานุสติระลึกถึงกุศลศีลจะระลึกได้ยังไงเพราะศีลก็เป็นปกติสรัธารักษาศีลแบบปกติเนะี่ยแบบศรัทธาปกติไม่ใช่ภาวนาศรัทธาถ้าคําว่าภาวนาศรัทธาเนี่ยมันบ่งบอกถึงความเจริญอยู่ไหมถ้าภาวนาศรัทธาคือศรัทธาที่ถูกบ่มเพาะจนเกิดขึ้นโดยการเจริญภาวนา เช่นทานก็ทานมาเดินเป็นภาวนากุศลได้ศีลก็ศีลมาเจริญเป็นศีลานุสติได้เห็นไมถ้าทานก็สามารถเอามาเดินเป็นจาคานุสติศีลก็สามารถเอามาเดินเป็นศีลานุสติถ้าพุทธคุณก็มาเดินเป็นพุทธานุสติถ้าธรรมคุณก็มาเดินเป็นธรรมานุสติถ้าสังกคุณก็มาเดินเป็นสังขานุสติเข้าใจไ้ยนึกถึงความตายยังเอามาเดินเป็น มรณะ น, นุสติได้เลยถ้าดูลมหายใจเขาออกก็มาเดินเป็นอาณาปานาสติอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยสรุปที่กล่าวมา น, นี้คือใช่สติปัฏฐานทั้งหมดไหมใช่ไม่ใช่ใชพุทธคุณเป็นสติปัฏฐานไหมธรรมคุณเป็นไหมยาคานุสติเป็นสติปัฏฐานไหมเห็นไหมตอบสมัยก่อนเรารู้ไหมว่าอนุสติเป็นสติปัฏฐานเราก็ไปนึกว่าต้องดูรูปน้ำสิ ใช่เราก็นึกว่าเออไปดูรูปนามอยู่หมถึงจะเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมใช่แล้วนึกอย่างนั้นหรือเปล่าพอแล้วเขาแก้ไขได้แล้วงั้น <c oughs> ถ้าเราเราไปนึกอย่างนั้นไงเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรรมฐานที่พระบรมศาสดาวางไว้ทั้งหมด ที่จะเรียกเป็นสติปจะเรียกเป็นสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานใดๆก็แล้วแต่นั่นคือเป็นสติปฐานสี่เราจะไปโทษใครเนี่ยที่เราส่งเคาะลงสติปฐานไม่ได้เนี่ยไปโทษใครดีเอาโทษใครถ้าเขาถามว่าเป็นสติปฐานหมวดไหนก็ยิ่งจะตามันใหญ่เลยนี่นี่น่นั่นแหละสติปฐาน แทนคนที่ศึกษาคําสอนมาดีท่านเหล่า น, นั้นก็จะไม่สับสนในคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอะไรหลายท่านเรียนเลยสติเลยเลยอารมณ์กรรมฐานกันมาหมดตอนนี้บางคนบอโอ้อารมณ์สมถะกรรมฐานสี่สิบใช่ไหมแล้วก็เรียนกันมาใช่ไหมบางคนเดือนนี้เขามาจัดเป็นหลักสูตรนะอาเล่มนี้เป็นสมถะทิปปนีเล่มนี้เป็นวิปัสนาทิปปนีใช่ไหม อันนี้เป็นสมถกรรมฐานนี่เป็นวิปัสนากรรมฐานเราเรียนแยกกันหมดนะเดี๋ยวนี้อ่านนี้ไปเรียนเป็นศีลอันนี้ไปเรียนเป็นสมถะอันนี้ไปเรียนวิปัสนาว่าไงถ้าต้องการบรรลุเร็วอย่าไปเอาสมถะนะว่าไงเอาวิปัสนาเลยตรงเลยว่าไงเราคิดกันอย่างนั้นใช่ไหเนีย่ยให้ลบข้อมูลนี่ทิ้งอย่าไปฉีกองค์มากของภาษาสดา สัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาอาชีวะเป็นศีลและวิสุทธิสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นสมถะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกประเป็นวิปัสนาศีลสมถาวิปัสนาอย่าแยกกันอย่าไปฉีกองค์มรรคท่านจับองค์มรรคให้ได้เวลาไปเดินคำคำสอนของพระพภาคเจ้านะอย่าแยกเข้าใจไหม ใครจะแยกปล่อยท่านแยกไปแต่เราจะ่ไปแยกอย่าไปฉีกอง์มรคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามว่ามรคเนี่ยมรคแปดเนี่ยเป็นอะไรเป็นปริเนยธรรมเป็นปหาตประธรรมเป็นสัจจิกาตประธรรมหรือเป็นภาเวติตประธรรมเม่ใช้สัพท์ขึ้นมาเรางงเลยใช่ไม่มถามว่ามรคแปดศีล ส, สมถาวิปัสนาเนี่ย เป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้เป็นธรรมที่ควรละเป็นธรรมที่ควรทําให้แจ้งหรือเป็นธรรมที่ควรเจริญเป็นธรรมที่ควรเจริญเป็นธรรมที่ควรเจริญทำให้เกิดทำให้มีขึ้นไหนๆประชุมให้เกิดขึ้นในกระแสฉงจิตใจในขงจิตเนี่ยนาดึงเข้ามาให้เกิดในจิตให้ขับเคลื่อนเอามาเจริญเอามาอบรมเอาาทำให้มีขึ้นเอามาทำให้เกิดขึ้น ทั้งศีลทั้งสมถะทั้งวิปัสนาทำให้เกิดขึ้นจะให้เกิดอย่างไรปรัญหาตามมาเลยใช่ไมมันมีมันมีติดอยู่เรื่อยเลยใช่ไหมจะให้เกิดยังไงเวลารูปารม์กระทบจากคุปา แล้วจะทำศีลสมาถาวิปัสนาให้เกิดยังไงเอาถ้าศีลไม่เกิดก็กำจัดโทสะได้ไหมไม่ได้ถ้าสมาถะไม่เกิดก็กำจัดตัณหาไม่ได้ใช่ไหมมิปัสนาไม่เกิดก็กำจัดโมหะไม่ได้ น, น, รร น, นั้นศีลสมาธิปัญญานั้นเน่ะต้องเกี่ยวข้องกับทางตะวันตาไหมตะวันหูอ่ะตะวันจมูกลิ้นกายใจสรุปแล้วคือว่า ถ้าอารมณ์ทั้งหกมาปรากฏทางทาวารทั้งหกแตศีลจะมาที่ปัญญาไม่ทากิจอะไรจะทำแทนโลภะตัวสามูหาจะทำแทนทุจริตถามจะเกิดแทนแค่นั้นเองเนี่ยโทษของอริยสัจเนี่ยนะไม่ปรากฏในในที่ทุกแห่งมันเป็นโทษจริงๆนะเป็นโทษจริงๆตรงนี้ก็คือว่าเดี๋ยวไปตามไปตรงนั้นก็คือว่า ภาวนาศรัทธาคือศรัทธาที่ถูกบ่มจนได้เจริญด้วยการเจริญภาวนาเนยมีอนุสติเป็นต้นแล้วก็มีอาณาปานาสติเป็นต้นเนียเหมือนกับช้างไายที่มีพระกำลังมีเดชมากนั่นชื่อว่าภาวนาศรัทธาถ้าเรามองในลักษณะอย่างนี้จะเห็นว่าช้างนี่นะที่มีเดชมีกำลังมากเนี่ยเขาเข้าถึงความเจริญได้ตัว ศรัทธาภาวนาศรัทธาคือศรัทธาในโพธิปกักขียธรรมนี่เองคือจิตเมื่อศรัทธาอยู่ในจิตใดศรัทธานั้นก็จะสงบภาวะที่จิตฟุ้งซ่านนะจิตแบบหยาบๆยาบเป็นต้นได้จิตเศร้าหมองในขณะที่เราเดินทางในกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นเหล่านี้ภาวะของใจที่เศร้าหมองเนี่นะภาวะของใจที่ขาดกลัว ภาวะของใจที่เกิดความกล้ า, ก, า, ากลัวในการที่จะเดินเข้าสู่คําสอนของพระบรมศาสดานั้นสภาวะของศรัทธานั้นจะทําทให้ความคิดนึกเหล่านั้นหายเกลี่ยงไปถ้าเป็นภาวนาศรัทธานะถ้าเป็นปกติศรัทธานะเกิดขึ้นมาหน่อยเดียวก็ถอยล่นแล้วเคเห็นกุ้งไหมกุ้งเนี่ยเวลามันมั น, ม, นมันวิ่งวิ่งวิ่งไปเวลา ไ, ไปชนเลยปุ๊บเนี่ยมันถอยอย่างเร็วเลยเนะ่ยปื๊ดเลยเนี่กเหมือนกัน พอไปเจออุปสรรคหน่อยแค่นั้นเนยวิ่งกลับบ้านแล้วไม่ไหวแล้วนั้นปกติศรนะัทธาเนี่ยไม่มีความแข็งแรงใดๆในทานศีลภาวนาเลยไม่แข็งแรงเลยเจออุปสรรคหน่อยนะเนี่ยเพนหมดไม่รอดหรอกเพราะปกติศรัทธาเป็นอย่างนั้นไม่สามารถจะออกจากความสงบหรือความพุ่งซ่านของจิตเป็นต้นได้ไม่สามารถตั้งอยู่ในความที่จิตสงบเป็นถ้าสามารถตั้งจิตอยู่กับคุณของพระบรมศาสดาเป็นต้นเนะย หรือถ้าจเจริญอาณาปานสติก็สามารถที่จะตั้งอยู่ในลมหายใจเข้าออกได้อย่างยาวนานได้อันนี้แปลว่าระดับภาวนาความเชื่อมั่นเนชื่อมั่นอะไรจิตเป็นสมาธินี่ก็เชื่อมั่นอะไรอ่ะเชื่อมั่นสมาธิสิกขาเชื่อมั่นสมาธิสิกขาเพราะเมื่อเชื่อมั่นสมาธิสิกขาสมาธิต้องตั้งอยู่บนสีละสิกขาใช่ไหม ก็แปลว่าเชื่อมั่นในศีลสิกขาด้วยแล้วเป้าหมายเพ่ต้องการจะเป็นปัจจัยเก็บปัญญาสิกขาในการที่จะไปวิจัยเข้าเห็นความจริงด้วยฉะนั้นสัตทินรีเนี่ยให้สังเกตด้วยเถิแล้วก็ท่องกันเนี่ยเชื่ อ, ม, ม, อมีความเชื่อมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์ในคุณของสิกขาสามก็ท่องกันอยู่เนี่ยอันนั้นคือท่องแล้ว กรณีที่สภาพธรรมสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นจากการที่จิตนั้นมีศรัทธาเกิดแล้วไปเชื่อมั่นอย่างแน่นอนไม่หวั่นไหวในสมาธิสิกขาจริงๆเคยได้ไหมละ่ะเคยได้ไหมถ้าสมาธิสิกขาเกิดจริงๆแล้วตั้งมั่นจริงๆเนี่ยชีวิตนี้กลัวอะไรไหมถ้าเชื่อมั่นจริงๆเนี่ยเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวจริงๆไม่กลัวหรอกการอยู่ในสิกขาสามจะกลัวอะไร กลัวอย่างเดียวว่าจะตกจากศีลขาสามเพราะคําว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นชื่อของศาสนาใช่ไหมเป็นชื่อของศาสนาถ้าเราตกจากศีลสมาธิปัญญานะ่ะกลายเป็นว่าเราเนี่ยตกจากศาสนาเราต่างหากเป็นผู้ทําให้ศาสนาเสื่อมเสื่อมจากใจตัวเองไนงะเราต้องการรณรงค์ให้มีการเผยแพร่ศาสนาใช่ไหมก็ประเทศเนี้ยมันยังมีไม่มีศาสนาเข้ามาวิ่งเพ่นพ่านในกระแสใจเลย คุณจะไปรณรงค์ให้กับใครฮนะจะไปรณรงค์ให้ไปสอนใครก็ศรัทธาในศาสนาในสิกขาสามในกระแสใจของเราท่านทั้งหลายมันยังไม่แข็งแรงเลยแล้วเอาคนแบบนี้หรือไปประกาศศาสนาขอไปอเอาจอากคนแบบนี้หรือเอาแบบประเภทที่อมมาอุปมาไงรู้หมหมาปลาตาขาวอยู่ในโพรงไม้ ไม่กล้าออกจากโพรงไม้ไปหากินไม่กล้ากลัวเสือดาวกลัวเสือเหลืองกลัวเสือโคงมันจะกัดเอาคนที่มีศรัทธาปอปอมวิริยะสติสมาธิปัญญาแบบปอมๆก็อุปมาเหมือนหมาป่าตาขาวตัวนั้นนะนอนยอมอดตายในโพรงไม้ไม่กล้าเดินออกจากวัตถุ ก, กามล็อกกลัวกลัว ไม่กล้าเพราะศรัทธาน้อยวิริยะก็น้อยมันเป็นศรัทธาวิริยะสติธสมาที่ปัญญาแบบปกติแบบปลอมๆไงแบบปลอมๆเลยไม่กล้าเลยเหมือนอะไรเหมือนสุนัขป่าตาขาวใช่ไห ม, มตาขาวทําไมถึงตาขาวก็กลัวอะไรกลัวอะไรอ่ะกลัวเสือ เดอดาวเสือโคกมินตอลเสีอเหลืองอยู่ไหมเอาอย่างเราไม่กล้าเข้ามาสู่ทานศีลภาวนาจริงๆเรากลัวอะไรแล้วกลัวอะไรอเออเราติดตัวแน่นว่าถูกกรรมไนงะเราไม่กล้าเดินออกจริงๆหรอกนี่คือศรัทธามันปลอมเพราะอะไรใจเราเนี่ยระหว่างที่จะเข้าไปเชื่อมั่นในทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศล ที่จะไปเชื่อมั่นในศีลสมาธิปัญญาจริงๆไม่เกิดเพราะมันไม่เกิดมันหลวมไหมมันเบาไหมเบามากเนี่ยต้องเจออุปสรรคทีเนี่ยเจอปัญหาอุปสรรคนะถอยแลย้วไม่มาแล้วเหมือนนั่งนีท่าไหกําลังนั่งกรรมฐานไม้ล่นไต่หักูแตกไปขอไฟนะ <laughs> ไปลแล้วแต่นี้กลับมาไม่รู้เขาทำยังไงแล้วสารลาขอไฟช่วยมาเกิดขอไฟเนี่ไปใหญ่แต่เนี้ย แค่นี้ศรัทธาหมดไหมหมดแล้วถ้าใครชวนอีกว่ะไปที่ไหนนื่องจาที่เก่าไม่ไปหรอกใช่ไหมให้แค่เนี้ยเราจะเห็นชัดแล้วว่าจริงๆคําว่าปลอมเนี่ยไม่กล้าไม่กล้าไม่ต้องพูดเอาชีวิตเป็นเดิมพันเอาแค่หัวแตกนี่ไม่พอเลยไม่ไม่พร้อมแล้วบางคน บางคนพอเจออุปสรรคก็หน่อยก็ไม่ไ ม, ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วอย่าลืมนะการเดินแต่ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก้าเสี่ยงชีวิตกับวัตถุการรมากากิกับกับวัตถุกา ร, รมได้แต่ไม่กล้าเสี่ยงชีวิตกับวัตถุทานเนี่ยใช่ไหมไม่กล้าเสี่ยงชีวิต แต่ถ้าเรื่องถ้ามองสัตว์ทั้งหลายมองเป็นวัตถุกรรมแล้วสัตว์กล้าเสี่ยงชีวิตแต่ในธรรมปิฎิกาเนี่ยพราะมองเป็นวัตถุทานท่านกล้าเสี่ยงชีวิตถ้าท่านทําบุญจนๆเนี่ยจนเทวดาขอร้องให้เลิกทำแทนที่ท่านจะเชื่อเทวดาตําหนีไล่เทวดาจากบ้านเลยกล้าไหมถ้าให้ทานไปให้ทานไปมันก็จนอยู่มั้ย สามีทําหนีไล่สามีออกจากบ้านเลยลก็กามเลยโรคทำหนีไล่โรคออกจากบ้านเลยบอกยอมทำไม่ได้หรอกถามด้ไมก็อยอมนั่นแหละจะถูกไล่เอ ง, <laughs> ย, งย่งเลยด้วย <laughs> คือคือตรงเนี้ยบ่งบอกถึงว่าจริงๆก็คือดูดูอนาถาปินณิกะเ น, ะนาะเนี่ยศรัทธาท ภาวนาศัท ธ, ธาเป็นภาวนาศัท ธ, ธาที่ถูกบ่มฉะนั้นเมื่อสงบจิตได้โดยการที่อยู่กับอารมณ์กรรมฐ า, านมีพุทธานุสติเป็นต้นก็จิตนั้นจะถึงความผ่องใสชื่อว่าสงบจากอารมณ์เนื่องจากการเจริญพุทธานุสติบ้างกายคตาหรือาอนาปานาสติเป็นต้นอันนี้เขาเรียกเป็นการบ่ม เป็นการบ่มเพาะภาวนาศรัท ธ, ธาให้เกิดขึ้นถ้าสามารถตั้งจิตไว้อยู่ในพระในพระพุทธคุณของพระผู้มีภาคเจ้าได้ตลอดเวลาตามที่ตนเองตั้งจิตหรืออธิษฐานจิตไว้ถ้าเจริญกายกตาสติมีมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็สามารถกำหนดได้ตามที่ตนเอง ตั้งใจและประสงค์จิตไม่พลากไปจากอารมณ์นั้นเลยอันนี้แสดงว่าได้ภาวนาศรัทธาฉะนั้นการที่เราจะเดินจิตให้เกิดขึ้นติดต่อกันอย่างเนี้ยแสดงให้เห็นชัดว่าสภาพของจิตใจนั้นน่ะย่อมถึงกำลังที่สามารถทำลายอะไรทำลายกลุ่ม กาวมาฉันท่าเป็นต้นนั้น น, นี่วาระธรมรมเหล่านั้ น, นได้ระดับตะทางค้อาหารหรือบางท่านได้ถึงขนาดเกี่ยวในเรื่องของวิคัมพนะได้แล้วถ้าในกรณีอย่างนี้นะในการเจริญศีลสมถะหรือว่าถ้าพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่า ถ้าเราจะสามารถที่จะเดินระดับภาวนาศรัทธาเป็นต้นเหล่านี้ได้นั้นการคบพระพุทธเจ้าและการฟังธรรมะที่เกี่ยวกับเรียสัตว์เพื่อกระตุน้นเพิ่มพูนสัตธินีนั้นเป็นจริงเป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะเพราะที่จะมาขับเน้นขับเน้นในการตั้งสัตธินีไว้ในพรตรนะไตรไม่ได้ตั้งไว้ที่ตัวบุคคลตรงนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งไว้ที่ตัวบุคคล ถ้าตั้งไว้ที่ตัวบุคคลอันตรายไหมอันตรายนะเพราะบุคคลไม่แน่นอนเนาะไม่แน่นอนถ้าหากพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นเนาะจะเห็นในความในชั้นของคําสอนต่างๆเหล่าเนี้ยก็จะสามารถที่จะเข้าใจได้มากขึ้นประเด็นต่อมาคือวิริยะวิริยะเนี่ยเขาเรียกว่า เป็นวิริยะแบบปกติวิริยะกับภาวนาวิริยะเออถ้าพูดถึงในเรื่องของความเพียรหรือตัววิริยินรีเนี่ยใวิริยะเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เข้าถึงความเพียรความเพียรในลักษณะที่จะเป็นวิริยะเดี๋ยวมาจะสรุปอีกทีเนาะเพราะถ้าเราพูดถึงในเรื่องของปกติศรัทธากับภาวนาศรัทธาเนี่ยนะปกติศรัทธาย่อมสามารถ ทำกุศลความดีต่างๆได้ไหมได้การให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาได้ไหมแต่เพราะยังเป็นศรัทธาที่ยังไม่ได้พัฒนาศรัทธาประเภทนั้นจึงถูกครอบงาด้วยตัณหาถูกครอบงาด้วยตัณหาคือความอยากความต้องการเนี่ยนะไม่มีกำลังที่จะสามารถผลักดันตัณหาให้ออกไปได้ก็ย่อมถูกตัณหาครอบงำอยู่นั่นเอง คำว่าถูกครอบงามคือเมื่อเปรียบเทียบกับเอางี้ดีกว่าถ้าไปดูในอริยวังสธรรมนะก็คือความสันโดษในจีวรความสันโดษในบินดาบาทความสันโดษในเสนาสนะความเป็นผู้ยินดีในการเ จ, เจริญภาวนานะดุดพะจพระจันพระอาทิตย์ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยต่างจากเมืองคือศรัทธาที่ตั้งอยู่บนแผ่นดินเนะในโลกนี้ คำว่าตั้งอยู่บนแผ่นดินในโลกนี้หมายถึงศรัทธาที่ถูกตั้หายึดติดอยู่ในอามิตรก็คือศรัทธาที่ถูกตั้หาครอบงำจิตก็จะยึดอยู่ในปัจจามิตรในโลกามิตรและในวัตตามิตรในปัจจามิตรก็คือว่ายังยินดีพอใจในปัจใจสีในเครื่องนุ่งห่มก็สวยปฏิบัติธรรมก็อยากจะปฏิบัติเนี่ยนะที่อยู่อาศัยก็ดี อาหารการบริโภคก็ติดแล้วก็ยูกยาวิตามินทั้งหลายบำรุงร่างกายทั้งหลายเนี่ยตัณหาก็ไปครอบงำอยู่ในปัจจามิตรเหล่านี้แต่แล้าก็มีศรนะัทธาเนียให้ทานเนะไม่ใช่ไม่ให้รักษาศีลเนะี่ยเขามีการเจริญภาวนาเป็นระยะระยะกับไปไม่ใช่ไม่ไปหรอกเห็นไหมลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นศรัทธาที่อยู่ในแดนของถูกตัณหาครอบงา ไม่เหมือนกับดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ที่ลอยเด่นเหมือนท้องฟ้าที่ไม่ถูกครอบงํำด้วยเมฆหมอกเลยฉะนั้นสภาพของศรัทธาที่เป็นภาวนาศรัทธาเนี่ยจึงเป็นศรัทธาที่ศรัทธาที่ไม่ไถูกตั้นหาครอบงําให้สังเกตว่าบางทีเนี่ยถ้าเราได้ฐานะกันทั้งหลายบางคนก็เป็นอาจารย์เมื่อมานี่นะ โอพอเป็นอาจารย์ของคนแล้วมาก็ติดและยึดติดในฐานะความเป็นอาจารย์ของเศรษฐีข้าราชาบุตรดีทั้งหลายหรือของบุคคลทั่วๆไปพอไปยึดติด ง, งี้ปุ๊บอันนี้บ่งบอกอะไรเนี่ยศรัทธาของอาตมาเป็นศรัทธาปลอมทันทีถ้าเป็นแบบนี้นะเพราะเป็นศรัทธายังยึดติดอยู่กับในเรื่องของบุคคลทั่วๆไปต้องการสถานะด้วย แล้วก็ต้องการมีชื่อเสียงด้วยแล้วก็ยังอยากจะประกาศคำสอนด้วยแต่จิตก็ติดอยู่ในฐานะนั้นๆถ้าในกรณีงี้อย่างนี้เขาเรียกว่าตั้นหาที่เสกคุนโลกามิตรแล้วพวกเราก็ไปเทียบดูว่ายินดีสถานะที่เขาเรียกแม่ไหมชื่นใจไหมได้มีตาแหน่งเป็นป้าเป็นน้าเป็นลงุงเป็น อาจารย์อะไรก็ว่าไปเหอะมีฐานะมีตำแหน่งเซนดาราทีภูมิใจเอเกินใช่ไหมเซนรายชื่อนอี่พอเห็นกระดานถูกกระดานหลอกได้ประหลาดเเคยเห็นไหมเซนเนี่ยเซนหตันหาครอบงำไหมแล้วก็ให้ทานมีใครมาขอเราคนใจดีอ่ะอ๋อที่นั่นก็สร้างนะั่นเดี๋ยวไปสร้างกับเขาหน่อย แต่เป็นปกติศรัทธาเพราะมันขึ้นขึ้นลงลงถ้าไปไม่ใช่ถ้าพูดกับเราไม่ดีนะระวังนะเดี๋ยวเราไม่ไปอีกนะเนมันศรัทธาที่ปลอมๆเนี่ยมันจะเป็นรักษนิท <c oughs> ถ้ายินดีในะเกียรติในโลกามิตร